เ ม, เมื่อตอนธรรมวัตรเช้านะก็ได้พูดเรื่องหลวงพ่อสมัยที่มาบุกเบิกที่ธรรมไฟสุกโตใหม่ๆแล้วเมื่อกี้ก็พวกเราก็ได้ฟังนะเทียตมาเล่าว่ามีฐานป่าวิ้ยครบมือนะสิบคนมาล้อมสาราแล้วก็มีคนขึ้นมาคุยกับหลวงพ่อจริงๆไม่ใช่เฉพาะฐานป่านะที่มาล้อมสาราเนี่ยฐานรัฐบาลเนี่เคยขึ้นมาที่วัดนะ ทำนองมาตรวจค้นนะทั้งที่หลวงพ่อก็มีแต่ศูนย์เด็กแค่นั้นแหละก็มีพระเนรแล้วก็เด็กแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็มีชาวบ้านนี่คนหนึ่งนะีแม่อ้วนนี่เมียพ่อเพรมก็ไม่พอใจมากนะที่ทที่ทหารมาทํำแบบนี้กับหลวงพ่อเหมือนกับว่าระแวงหลวงพ่อเป็นคอมมิวนิสต์นะ <c oughs> แกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าพูาว่าหลวงพ่อเนี่ยสอนดีนะสอนในชาวบ้าน เป็นคนดีเลิอกอาบายามุกนะนะถ้าหลวงพ่อเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็จะเป็นด้วยนะว่าคอมมิวนิสต์มันดีแบบนี้นะพูดขนาดนี้นะกับทหารนะว่าถ้าหลวงพ่อเป็นคอมมิวนิสต์แกก็เป็นด้วยนะไอ้ชาวบ้านก็ปกป้องหลวงพ่อเพราะว่าเข้าใจดีว่าหลวงพ่อทําอะไรอยู่แต่ที่จริงเนี่ยซึ่งิงนนามัยก็นะี่ยคือหลวงพ่อท่านมีความมั่นคงหนักแน่นด้วยนะ นอกจากความเมตตาแล้วความเมตตามันทำให้จิตอ่อนโยนนะแต่ในเวลาเดยวกันเนี่ยหลวงพ่อท่านก็มีความมั่นคงหนักแน่นนะมีขันติสมัยที่อาตมาขึ้นมาช่วยศูนย์เด็กก็ดีช่วยสหกรณ์ข้าวปีสองสามอย่างที่เล่าเอาไว้เรื่องนี้เนี่ยทางการบ้านเมืองก็ระแวงอย่างที่บอกนะและยิ่งตอนหลังเนี่ยอาตมามาบวช ก็จะมีเพื่อนนะซึ่งเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติธรรมก็มีขึ้นมาเยี่ยมก็มีสายตาของเจ้าที่ก็มองว่าเนี่ยคือนักศึกษานะและนักศึกษาก็คือพวกซ้ายพวกคอมมินิสต์เพราะนั่นก็เพ่งเล็งเป็นพิเศษหลวงพ่อท่านก็รู้นะว่าการที่มีพวกเราขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ท่านถูกจับตาแล้วคงทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนด้วยแต่ว่าท่านเนี่ย ไม่ได้สนใจเลยนะว่าท่านจะเดือดร้อนอย่างไรบ้างท่านเห็นว่ า, าพวกเรานี่มาดีนะมาช่วยชาวบ้านนะทีแรกก็มาช่วยชาวบ้านตอนหลังก็มาปฏิบัติธรรมท่านก็พร้อมจะปกป้องพวกเราไม่หวั่นไหวไปกับคํากล่าวหาหรือว่าสายตาจ้องจับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอันนี้นี่ไม่ใช่ว่าหาง่ายนะเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยพระจานวนไม่น้อยเนี่ยแม้แต่เป็นพระวิปัสสนาเนี่ยเ้าเกิดมีนักศึกษาขึ้นมาหรือมีพระบางรูปที่ทําตัวแปลกๆนะแปลกๆในที่นี้หมายถึงว่าสนใจธรรมะแต่ว่าก็ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่มากระซิปว่านเนี่ระวังนะพระรูปนี้นี่บางทีเจ้าว่าหรือหลวงพ่อท่านเหล่านั้นก็จะระแวงอย่างอรรมาอย่างช่วงช่วงเดียวๆกันเนี่ย ก็มีรุ่นพี่นะคือพระประชานี่ท่านก็ไปอยู่กับสํานักปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือพระประชานี่ก็เคยเป็นนักศึกษาแล้วก็เคยมีถูกจับตา ม, มองจากสันติบาลพอมาบวชนี่สันติบาลก็ตามไปติดตามจริงๆท่านก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็แค่ทําทกรรมฐ า, านแล้วก็เขียนจดหมายแปลหนังสือเจ้าหน้าที่รัฐก็ไปกระซิบกับ เจ้าวาดว่าเนี่ยอันนี้เป็นนักศึกษานี่เป็นซ้ายน ะ, ะบอกว่าท่านก็ถูกระแวงจากเจ้าวาดด้วยก็ทําให้ในสุดท่านก็ต้องออกมาแล้วก็ปีก็อยู่บวชได้อีกสักสีห้าปีแล้วก็ศึกนะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยไม่มีกับหลวงพ่อคําเขียนเลยนะตั้งๆที่การที่เราพวกเราขึ้นมานี่มันไม่ได้ทำให้ท่านสบายขึ้นนะทําให้ท่านถูกจับตามากขึ้นแต่ว่า ท่านเห็นว่าพวกเรามาดีแล้วก็มาทำประโยชน์แล้วก็มามาได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมท่านก็ปกป้องไม่หวั่นไหวไม่กลัวนะอันนี้อาจเป็นเพราะความมีปัญญาของท่านก็ได้เพราะว่าพระที่พระที่ไม่ไม่รู้เท่าทันเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยก็จะเชื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองง่ายพระกรรมฐานหลายรูปเนี่ยก็จะไม่ค่อยติดตามเหตุการณ์บ้านเมือง มีเหตุการณ์หตุลามีเหตุการณ์อะไรทางการเมืองก็มองวันนักศึกษานี่เป็นเป็นผู้ร้ายเป็นคนชั่วร้ายนะนักปฏิบัติจำนวนมากก็จะมองนักศึกษาหรือคนหนุ่มสาวจากในเมืองแบบระแวงระแวงโดยเฉพาะคนที่อาจจะพูดอะไรตรงไปตรงมาแต่หลวงพ่อท่านก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่บ้างแล้วท่านก็มีปัญญารู้ รู้รู้จั ก, กแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้เชื่อคําพูดของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเสมอไปจริงๆท่านก็ประสบด้วยตัวเองด้วยว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ผิดพลาดที่ระแวงเกินเหตุก็เยอะเพราะตัวท่านเองก็โดนเองถูกจ้ถูกในอำเภอกล่าวหาว่าเป็นแนวล้มคอมมิวนิสต์นะในที่ประชุมเลยนะ ท่านเองก็โดนมากับตัวเพราะฉะนั้นท่านก็รู้ว่าะจะจะไปเชื่อคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐนี่ไม่ได้เลยเพราะนั้นนี่เจ้าที่รัฐจะมาเป่าหูท่านอย่างไรนะท่านก็หนักแน่นไม่ไม่ไม่หวั่นไหวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากจากอาจารย์กรรมฐานน ะ, ะที่จะมีความเข้าใจเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็มีความหนักแน่นไม่หูเบา แล้วก็ไม่กลัวบางคนที่โอนเอนเพราะกลัวนะกลัวว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมาก่อกวนแต่ความกลัวอย่างนี้ไม่มีในในจิตใจของหลวงพ่อคำเขียนเลยอันตมามาอยู่จนกระทั่งปีสองเจก็ยังมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาติดตามสอบส่องนะเพราะว่ามีเพื่อนๆขึ้นมาปฏิบัติกันนะเป็นระยะระยะนะ หลวงพ่อท่านก็เฉยๆนะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยพูดเรื่องที่ให้ฟังว่าท่านคุยอะไรกับเจ้าหน้าที่บ้างท่านก็ให้เราปฏิบัติไปตามปกติก็เหมือนกับที่ท่านท่านอาจารย์สุเรนพูดนะว่าเวลามีงานมีการอะไรหลวงพ่อท่านก็ทําท่านเองท่าไม่ค่อยไปเรียกร้องให้พระมาช่วยเว้นแต่ว่าเออท่านทําไม่ไหวก็จะให้พระมาช่วยคือท่านใหญ่ให้พวกเราปฏิบัติเต็มที่นะ ไม่ให้มีอะไรมารบกวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการที่ท่านทำเองได้หรือว่าเรื่องสายตาความไม่เข้าใจจากเจ้าหน้าที่นั้นก็ทำให้พวกเรานี่อยู่ได้อย่างสงบสุขนะแล้วก็มั่นใจอุ่นใจว่ามีผู้ปกป้องเราอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้อตมาก็อยู่ได้นานเพราะว่าจริงๆอิตมาก็พฤติกรรมก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เหมือนกับพระทั่วไปนะ ภรรษาหนึ่งรรษาหนึ่งก็เรียบร้อยดีแต่พอภรรษาสแล้วก็มีกิจไปกรุงเทพไปบรรยายไปอบรมแรงต่างนะก็ไม่ค่อยเหมือนพระทั่วไปเท่าไหร่แต่ท่านก็ไว้ใจว่าที่ไปทำที่ไปททั้งหมดเนี่ยเป็นของดีนะไม่ได้ไปยุ่งการเมืองอะไรท่า น, นก็ท่านก็เลยให้ไม่ขัดขวางไม่ไม่ทวงติงนะถ้าจะคอยดูยวงห่างแต่ท่านก็เข้าใจนะแล้วก็ พยายามช่วยทำให้การอยู่ปฏิบัติของอาตมาและพระหนุ่มๆ น, นะรวมทั้งญาติโยมสาวๆที่ตั้งใจมาประพฤติ ธ, ธรรมได้อยู่กันอย่างสงบสุขนะตามอัตภาพนะอาจจะไม่สบายแต่ว่าเรียกว่าสงบสุขนะใจอันนี้ก็เป็นเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งนะที่เห็นถนึงความหนักแน่นมั่นคงของหลวงพ่อนอกเหนือจากความเมตตานะซึ่งหาได้ยากนะในในยุคนั้น ถึงตอนนี้นี่พอรลียหลังนี้ท่านก็ได้รับความยกย่องรับรองนับถือจากทางการบ้านเมืองมากนะได้รางวัลเยอะแยะน ะ, อ, ะอันนี้ก็มันเปลี่ยนไปจากเมื่อ30สปีที่แล้วมากเลยนะจากแนวร่วมคอมมิวนิสต์กลายเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่ศาสนาแล้วก็บ้านเมืองอันนี้เป็นธรรมดาโลกนะเราเรียโลกธรรม การทําอะไรดีๆใหม่ๆเนี่ยก็มักจะถูกคนละแวงถูกคนเยอะเยยถักฐางหรือว่ามุ่งร้ายแต่พอทําไปทําไปเขายอมรับแล้วเขาก็จะยกย่องนับถืออันนี้เป็นธรรมดาโลกนะหลวงพ่อท่านเลยไม่หวั่นไหวไปกับไอ้คำยกย่องเสรเสรินั่นด้วยเพาราะทั้งรวมันก็เป็นธรรมดาโลกอ่าเราก็เตรียมรับผ่อน